ความสุขความเจริญจังมีแดท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีบุตในวันนี้คงเป็นการพูดเรื่องเทราคาถาในส่วนของพระสัฐปาราเทระท่านแสดงธรมุทเทศสิบประการสี่ประการแก่ถวายพระเจ้าโกรุปยาสมาโดยลำดับ พอมาตอบประเด็นที่พระเจ้ากุรภรพยะรับสั่งถามถึงเหตุให้ต้องบวชเพราะว่าพระองค์ทรงคิดว่าคนที่บวชคล้ายๆกับคนจนกรอกคือไม่มีทางไปแล้วตพวาความยากจนบ้างเพราะขาดญาติขาดมิดขาดทรัพย์ขาดอะไร ะ, ะไรต่างๆแล้วก็ออกบวช ในรัฐ บ, บาลนั้นท่านสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วทำไมจึงออกขวดกวทกานอธิบายขยายความเรื่อยๆตั้งแต่บองเหตุโทษของการมคือมีปัญหาสารพัดมันจะมีวิจิตติสดาอยังไงก็ตามสวยงามยังไงก็ตามแต่ว่าในแง่ของความจริงแล้วก็เป็นของที่ ไม่สวยไม่งามอะไรเป็การมองในลักษณะอย่างถึงความจริงเป็นการลองสังเกตว่าเรื่องนี้ถ้าหากว่าคนพยายามมองพยายามคิดพยายามทำความเข้าใจให้ใกล้ๆความจริงเข้าไปอย่าน้อยที่สุดก็ ไม่ใช้ชีวิตในการสะสมบาปเพราะว่าสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบจริงๆนั้นก็คือบุญกับบาปแต่เราก็เกิดมาในโลกชั่วครั้งชั่วคราวโดยไม่รู้ว่าจะตายในวันใดขณะใดหรือทําไปทำไมจะต้องมาใช้ชีวิตซึ่งต้องเวดว่ายตายเกิดอีกนันนั้นเนี่ย มาสิยงกับการกระทำบาปพอะต่เรามองคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายสรุปรวมเลยนะคะัคำสอนในกลุ่มของอริยมรรคเนี่ยสมัยที่มาในกลุ่มที่เราจะต้องลงมือประพฤติปฏิบัติก็เป็นเรื่องห้ามใจจากบาปแต่ยังสีงธรรมจรญญานั้นขอให้ห้ามใจจากบาปได้ ใจไม่คิดบาปการทําบาปการพูดบาปก็ไม่เกิดก็ผ่านชีวิตที่มีสาระแก่นสารไปวันหนึ่งวันหนึ่งขณะหนึ่งขณะหนึ่งก็แล้วแต่ว่าจะรักษาคุณภาพจิตได้นานขนาดไหนเราทาไม่มีชีวิตมีสาระแก่นสาร ก็เยบทสรุปที่ส่งแสดงนั่นเองว่าความประมาทเป็นทางแห่งความตายความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความไม่ตายคนที่ประมาทนั้นแม้จะมีชีวิตอยู่ก็เชื่อตายไปแล้วแต่คนที่ไม่ประมาทแม้จะตายไปแล้วก็ถือว่ายังมีชีวิตอยู่ก็เรียกว่าเป็นนมาต ตรวตายแต่ชื่อเสียงเกรติคุณความดีเป็นตราประดับโลกถูกเป็นสิครพบยกย่องนับถือของบุคคลทั้งหลายอย่างพระบาทของพระตปาลเจระหรือพระธัญญากรธัญญาที่เล่ามาบันก่อนเราก็จะเห็นว่าถ้าหากว่าท่านไม่มีความดีโดดเด่นขนาดนี้ ท่านก็ไม่มีชื่อจาริกอยู่ในเทตัคคาถาเพราะว่าพระทั้งหลายพระญาบุคคลทั้งหลายในโลกเนี่ยมันที่จริงมันมีเยอะมากแต่ว่าที่ท่านนำมาบันทึกไว้เนี่ยเฉพาะที่เป็นภิกษุแล้วก็พูดส่วนที่เป็นฝ่ารหารันอุบสกบัติกานั้นก็ ปสุรบันขึ้นปสุรบันาสกักกะธามีพระนาคามีนะแต่ถ้าเป็นพระภิกษุสามเณรภิกษุณีแล้วต้องเป็นพระอรหันยอมาจดจาริกไวพอเจอคือนอประวัติคตมาจาริกไวทั้งหมดมันก็มือสักเท่าไหร่ก็บันทึกกันไม่หวานไม่ไหว แต่ว่าประวัติของแต่ละท่านนั้นเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างที่ยึดถือองไหมายเป็นต้นแบบก็ได้เราถนาดเราพอใจในเรื่องอะไรละ่ะก็ยึดถือท่านเหล่านั้นเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างอย่างพระรักษมณ์รานีิเราจะเห็นว่า ใช้ปัญญาอย่างรู้ถึงความจริงแห่งชีวิตแม้ด้วยการฟังเทศเพียงครั้งเดียวแต่ก็มองได้ทะลุกุ้งกงเรียกว่ามองจากต้นจนถึงปลายสุดคือพระนิพพา น, นชีวิติตกท่านที่เป็นเศรษฐีก็ถูอว่าอยู่ตรงกลาง เราต้องตัดสินใจเลือกว่าจะเอาอะไรในทสุดท่านก็เลือกออกพระนิพพานคือมันก็มีทั้งเลือกแบบเดียวกับพระเจ้าเลือกนั่นแหละก็คือว่าพระเจ้าถ้าต้องการเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้ า, จาถ้าต้องการเป็นพระพุทธเจ้ า, จ ก, าก็ไม่ตั้งสนพระภัยในเรื่องของพระเจ้าจักรพรรดิ จุดตาง ม, มันอยู่ตรงไหนจุดต่างอยู่ที่พระเจ้าจักรพรรดิไม่สามารถทําความดีแก่โลกได้อย่างกว้างขวางนั่นอย่างหอย่างที่สองผลงานของพระเจ้าจักรพรรดิไม่อยู่ยั่งยื่นานประการประการที่สามพระเจ้าจักรพรรดิยังต้องเวิยนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏแล้วก็ไม่แน่หลังจากดวงคตจาก ชาตที่เป็นพระเจ้าสักการะอาจจะตกนรกก็ได้อา จ, จะบังเกิดในกบูมิที่ต่ําลงมากว่านั้นก็ได้หรือแม้จะเกิดในพวกบูมที่สูงมันก็อย่างมากก่ส็สวรรค์สวรรค์ก็ไม่ถี่นปเป็นทุกเป็นนับปาอย่างนี้น สมาความการมองเทียบเทียมก็ต้องคทีบเคียงในหลายจุดแล้วก็บวกลกคุณหารดูเราก็เลือกได้ทั้งใดทางหนึ่งแค่นั้นเองคือจะเลือกหลายทางมันกอบไม่ได้จะไปซ้ายก็ไม่ได้ไปขวาจะไปขวาก็ไม่ได้ไปซ้ายหรือกุศลกับกุศลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันข้อต่อไปที่ท่านกล่าวไว้ ว่าพระศาสดาอัตมาภาพอยู่ใกล้ชิดแล้วคำว่าอยู่ใกล้ชิดพระศาสดานะคือหมายความว่าได้สัมผัสพระคุณของพระพุทธเจ้าหมายความว่าพระพุทธเจ้าทรงประดับด้วยพระคุณเท่าไหร่ระฏิราก็ประดับด้วยพระคุณเท่านั้น ประคุของพระพุทธเจ้าอย่างที่เรารู้ว่าบางทีก็ว่ากันเป็นร้อยๆนะครับอย่างในบาลีโอวาทสูตรนี่ว่าเป็นร้อยข้อเลยแต่ว่าประเด็นหลักมันก็มารวมที่สามอย่างแล้การขาจัดไปแห่งความโลภกวนหลงความหลงนั้นเป็นรากง้าวของความชั่วร้ายทั้งหลาย ก็คือวิชาพระเจ้ากระส่งขรจัดไปด้วยวิชาคือความรู้จุดจีบแสงสว่างที่กจัดความมืดทำท้องฟ้าอากาศให้สว่างสวยควรแกาการชื่นชมยิน ด, ดีในเมื่ออาวิชาถูกจัดไป ราคาโลภะโทสะโมหะก็ถูกกระจัดตาไปไพรทไเจ้าฎกบริสุทธ์หมดสิดสิ้นเชิงจากตัปปกิเลสทั้งหลายโลกัศต์ก็เปลี่ยนยเรียกว่าสามร้อสิบองศาเดียวคื อ, อตรงกันข้ามเลยพระโลกนั้นจะมองกันในแง่ขอ ง, ข, องของความคิเดเเลียน พระเจ้าทรงมองด้วยความกรุณาชาวบ้านจะมองกันด้วยความเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาพระพุทธเจ้ามองเป็นอนาาัตตาแต่ก็ทรงกรุณาต่อคนที่ยังมองอย่างนั้นอยู่ก็พยายามชี้แจงแนะนาให้ เ, เกิดความเข้าใจคือตัวแท้จริงของชีวิตว่า ทำทั้งบวงมันเป็นอนาตาไม่ใช่ตัวใช้ตัวอะไรในขณะที่ตามปกติแล้วใครมีความเจริญก้าวหน้าแต่โลกจะรู้สึกริทยาต่อความเจริญก้าวหน้าเหล่านั้นแต่ว่าพระพุทธเจ้าหรือพระรตาปาลาก็เหมือนกัน ดูแต่มองด้วยความอันมุนามีคนเหล่านั้นได้ดีมิสุแต่ทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไปตามกรรมพไทยก็ไม่ผูกขึ้นไม่ฟูกไม่แฟบเพราะว่าเป็นเรื่องกฎของกรรมก็มีหน้าที่ในการชี้แจงให้สาวโลกเข้าใจว่าแตโลกเป็นไปตามกรรม สิ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบจริงๆก็กคือกรรมเมื่อเขาทำไปแล้วเขาก็ต้องรับผลอย่างนั้นไม่มีใครสามารถจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรไปได้ตอนการเข้าถึงเนี่ยท่านใช้คำว่าอยู่ใกล้ชิดแล้วเพราะว่าพระพุทธเจ้าจริงๆคือธรรมะ อย่างที่ส่งแสดงว่าวัคลีพิกุจงถอยออกไปจะมาดูหญยร่างกายตาตาคตเป็นของเกลื่อยเน่าพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่ตัวพุทธสรีระแต่อยู่ที่พระไทยที่เป็นพุทธะที่เราแปลว่ารู้เดี๋หมบไปสันใจของมรัตปาละก็ประกอบด้วยปัญญาบริสุทธิ์กุณาแต่ก็ต้องถือว่าใกล้ชิดนะ คือไม่ใช่ว่าเหมือนกันหรือว่ามีค่าเท่ากันเหมือนกันในกรณีเดียวก็คือกรณีที่อาศวะมันหมดไปปริมาณของปัญญาปริมาณของความบริสุทธิ์นี่มันเทียบกันไม่ได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าส่งมาเพ็่บารมีมันานกว่านานกว่า 4, เท่าไหร่ล่ะสามในสี่นะฮะสามในสี่เท่า รต巴拉เริ่มบำเพ็ญบา ร, รมีมาในสมัยของพระพุทธเจ้าสุภนามว่ัปทุมุตระก็คือพนับย้อนไปก็หนึ่งอสงไขยกแสนกับแต่พระพุทธเจ้าเริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าในศาสนาของพระที่พังกรพุทธเจ้านับย้อนไปก็สี่หมื่นอสงไขยกกระไม้แสนกับ มันก็ห่างกันมีแสน้นสมคยนะฮะสี่แสน้ำสมคายกับประมัณแสงกันมันก็แสดงให้เห็นว่าความแตกต่างในด้านบารมีเนี่ยมันสร้างเ็าเรียกว่าเป็นพุทธกาลกะบารมีเป็นบารมีที่ทำให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พระตาปาลาท่าน สร้างสาวกบารมียานคือปรารถนาการได้เป็นสาวกในศาสนาของพระพุทธเจ้าที่ได้รับยกย่องจากพระองค์ว่าบวดด้วยศรัทธารือนาคด้วยศรัทธาประการต่อไปคำสอนของพระพุทธเจ้าอัตมาภาพได้ทำสำเร็จแล้วคือตามปกติในแง่ความเป็นจริงเราทุกคน ก็ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอยูเ่เพียงแต่ว่าเรารู้หรือไม่รู้มันเป็นอีกเรื่องนึ่งเพราะคสอนของพระพุทธเจ้ามันเป็นกฎสากลอะมันเป็นกฎที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาอะไรที่ทรงรแสดงว่าเป็นถูกมันก็ทุกจริงมันมีทางเป็นอย่างอื่นไปได้เลย อะไรที่แสดง ing, ว่าเป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์มันก็เป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์จริงอะไรเป็นความดับทุกข์มันก็เป็นความดับทุกข์จอะไรเป็นข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความดับทุกข์มันก็เป็นข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความดับทุกข์จริงๆเราเห็นว่าทุกนั้นเราสัมผัสมากบ้างน้อยบ้างเหตุเกิดแห่งทุกข์เราก็เจอทุกวัน ความดับทุกนั้นก็ดับได้มากบ้างน้อยบ้างแต่แล้วแต่เราก็ดับทุกได้ทุกวันเหมือนกันยิ่งแต่ว่าทุกมากหรือทุกน้อยนานหรือไม่นานอีกเป็นอีกเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือทุกเวทนาเราก็ดับไป เ, เปรปื่อยๆเกี่ยกับการเปลียนนิยาบุตรยินเดินตั้ง น, นอนเนี่ยมันก็เป็นการดับทุกอยู่ในตัว อยู่นา น, นก็เป็นทุกข์นั่งนานก็เป็นทุกข์นอนนานก็เป็นทุกข์เดินนานก็เป็นทุกข์เราก็พักก่อนอยู่พักอยู่เตือนในยาบุตรมันก็กลายเป็นการบรรเทาทุกข์ไปธรรมะปฏิบัติทั้งหลายเราก็มีอยู่อ่ะปฏิบัติอยู่ปฏิบัติอยู่ทุกวันแต่ว่ามากหรือน้อยนี่อีกเรื่องเนี่ยมันทํานองใกล้ๆกับขันติเนี่ยเราก็ต้องอดทนด้วย ความแช่มชื่นภายในใจเราก็สัมผัสตรกวันขณะมันยาวหรือไม่ยาวไม่รู้นะแต่เราก็สัมผัสอยู่ทุกวันเราก็ต้องมีบุริมีโอตต ป, ปะมีสติมีสัมมาสัญญะมีขันติมีโสรจจะดารงตนเป็นลูกหลานกันอยู่รู้คุณของพ่อแม่หรืออย่าน้อยก็รู้คุณคนน่ะ มากหรือน้อยก็เป็นอีกเรื่องนเพียงแต่ว่าไม่สามารถทำให้เสร็จเราก็ต้องปฏิบัติไปเรื่อยๆมาบวชมานานก็ต้องปฏิบัติไปเรื่อยๆเราทำได้ขนาดไหนล่ะก็ปฏิบัติไปข้อสำคัญอย่าให้ถอยหลังก็แล้วกันคือบ้าว่า บวชนานกิเลสมันเพิ่มขึ้นความโลภ ก, ก็เพิ่มขึ้นความโกรธก็เพิ่มขึ้นการมราค้าก็เพิ่มขึ้นอวิชชาก็เพิ่มขึ้นก็ไม่ไหวอะก็ไม่ควรจะอยู่แล้ ว, วสุดไปดีกว่าไม่ต้องประสาบาปให้มากเกินไปแต่ว่าเราจะทําได้ขนาดไหนเราก็ไม่รู้ ก็ทำอยู่พยายามทำอยู่แล้วท่านสาชนทั้งหลายก็เหมือนกันก็คือว่าอย่าไปคิดธรรมะแยกออกจากตัวการทำการพูดการคิดของเรานะ่ะเป็นธรรมะเพียงแต่ว่าเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลคิดดีหรือคิดไม่ดีถ้าคิดดีก็ถือว่าเป็นกุศลเป็นกุศลธรรม คิดไม่ดีก็เป็นอกุศลธรรมเมื่อพูดเมื่อทําไปตามการคิดมันก็เป็นกุศลและกรรมอกุศลแะกรรมตามต้องควรแก่การคิดการทําของเราในขณะนั้นๆแต่ว่าทำยังไงอย่างน้อยที่สุดเนี่ยให้ปฏิบัติแล้วระดับสีคือไม่ได้เสร็จแล้วนะฮะให้ปฏิบัติแล้วระดับสี หรือไม่งั้นก็เอาอะไรสักข้อหนึ่งให้ได้เ็นสมมติว่าอายุป่านนี้แล้วอีกไม่กี่ปีเราก็ตายแล้วอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันต่างๆเราก็ต้องทิ้งไว้ในโลกนี้แหละทำยังไงจะรักษาศีลให้ได้ทำยังไงจะเมตตาต่อคน ทำอย่างไรเวลาประสบความทุกข์อย่างน้อยก็คิดสงสารคนอื่นทำอย่างไรเวลาเขาประสบความสําเร็จความเจริญก้าวหน้าได้รผลดีงามได้ลาบไ ด, ด้ยศได้สังเสริมได้รับความสุขเราก็ชื่นชมนเขาอันมุทนาการเขาทำอย่างไรอย่าให้จิตใจมีความลําเอียงมีอคติ วิธีใช้สิ่งเหล่านั้นไปตามสมควรแก่เหตุแ ก, แก่กรณีหรือพูดง่ายๆว่าอย่าเอาคนเป็นที่ตั้งให้เอากรรมเป็นที่ตั้งเขาเป็นใครไม่สำคัญเทาเขาเขาประพฤติยัยงไงเขาคิดยังไงเขาพูดยังไงเขาทำยังไงถ้าคุณทำผิดคุณก็ผิดคุณทำถูกคุณก็ถูกแต่เป็นเรื่องที่คุณต้องรับผิดชอบ เราเองก็เหมือนกันเราทำผิดเราพูดผิดเราคิดผิดเราก็ต้องรับผิดชอบปัญหาที่มันยุ่งเวลาเนี้ยคือว่าผิดไม่ยอมรับผิดจนบางพวกเป็นเรื่องแปลกแต่จริงเป็นเด็กบ้าคือไม่เคยผิดอ่ะผมผิดอะไรอ่ะผมไม่ผิด แม้แต่เหตุการณ์ต่างๆในบ้านในเมืองเราเราลองสังเกตข่าวคร า, าวตนน่างนานาสิดงเราเหนว่าคนบางพวกจนเดียดนี้ยังไม่รู้สึกว่าตัวเองผิดต่างๆเดียมาฐานทางสังคมมันไม่ได้สูงอะไรท่ออะไรก็ใช้มาตรฐานทางกฎหมายมาตรฐานทางวัดนธรรมมาตรฐานทางศีลธรรมแล้วก็ไม่ใช่วิจิตพิสดาร ทิฏฐิธรรมโดยทั่วไปนี้เรยังสับส์ศนย์มันเนี่ยทิฏฐธรรมคุณธรรมจริยธรรมในวงราชการในฝ่ายกันใหญ่ใช้ศัพส์ศูนย์ไปหมดเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าท่านเข้าใจว่ายังไงเป็นองขิตธรรมทักจะหายไปจะยินเรื่องคุณธรรมในแพร่หลายขึ้นจริยธรรมในแพร่หลายขึ้น มันเป็นการต่อสู้กันในทางสังคมแลเราเองก็อ่อนแอเป็นคนเยาวเป็นคนเขายังตอนที่เขายุกร่างรัฐมนุนฉบับปัจจุบันามาก็เรียกสอนอชอหรือสสร อ, อะไรสอนอชอนะที่เป็นยกร่างรัฐมนุน ก็มาคุยกันบอกว่าธรรมศาสานาบัญญนะัติน่ะอยากใส่เข้าไปพอใส่เข้าไปแล้วคุณจะหากรอบไม่ได้เขาจะอ้างเอาเองอ้างในตัวเขานะ่ะว่าศาสนาบัญญัติก็เป็นอย่างนี้แต่คุณไปพิสูจน์ทดสอบก็ได้หรือเปร่าประภพีศาสนาแต่ละศาสนามันเยอะเลยจ้ะ ถ้าเราพูดเพียงศาสนธรรมคือคำสอนในศาสนาศาสนาไหนศาสนาไหนก็ได้จะไม่ว่ากันคำสอนในศาสนานั้นนทีนี้ถ้ า, าว่ามีความจำเป็นที่จะต้องพิงสูจน์ว่ามีจริงหรือเปล่าคือเรื่องตัวธรรมะเนี่ยมันพิสูจน์ง่าย เราไม่ต้องไปอ่านหนังสือหรอกยุติ้ดยธรรมเป็นธรรมเที่ยงธรรมหมายความม่าอย่างไรหมายความว่าผลของธรรมะถ้าเป็นอกุศลเวลาออกมาจะเบียดเบียนตัวเองให้เดือดร้อนเบียดเบียนบุคคลอื่นให้เดือดร้อนหรือเบียดเบียนบุคคลทั้งสองฝ่ายถ้าอย่างนี้เป็นอกุศล ทนี้ถ้าเป็นการงดเว้นการเบียดเบียนตนเองงดเว้นจากการเบียดเบียนบุคคลอื่นงดเว้นจากการเบียดเบียนทั้งตนเองและบุคคลอื่นตอนนี้เป็นกุศลกุศลระดับศีละขันคือกองข้องศีลทีนี้ถ้าทำประโยชน์เพื่อกลุ่แก่ตนเองทำประโยชน์เพื่อกลุ่แก่บุคคลอื่นทำประโยชน์เพื่อกลุ่แก่บุคคลทั้งสองฝ่ายและประมากออกไปเท่าไรยิ่งดีอันนี้ก็เป็นกุศล ทีนี้าศาสนาบัญญัติเนี่ยมันไม่แน่เพราะว่าตัวอาจารย์รตัวศาสนาเขาบัญญัติขึ้นบัญญัติก็หมายความไม่ใช่ธรรมะบางทีก็สอดคล้องกับธรรมะบางทีก็ไม่สอดคล้องแต่ว่ า, าศาสนาสอดบัญญัติขึ้นเฉยน ว, ว่าพระพุทธเจ้าทรงสแสดงว่าสัตว์โลกเป็นอยู่ได้ด้วยอาหาร ชาววินัยของเราเนี่ยคนรักษาศีลแปดขึ้นไปก็งดเว้นรับประานอาหารหลังเชี่ยมแล้วไปไอันนี้เป็นบัญญัติแต่ว่าธรรมะไม่ได้บอกอย่างนี้เลยธรรมะเบาสว์โลกอยู่ได้ด้วออาหารมากกว่ามาทุกชีวิตก็ต้องครองชีวิตด้วยอาหาร อาหาที่เดื่มอาหารที่กินอาหารที่ลิ้นอาหารที่สัมผัสมาทางประสาทสัมผัสตลอดาถึงเจตนารมณ์จิตใจเหนียวนึกตึกนึกถึงอารมณ์ต่างๆแต่เขาก็ใส่กันทั้งสองตัวนะฮะปุรุพายศาสนธรรมเขาก็ไม่ตัดออกแต่เขาใส่ไม่ใช่าศาสนาบัญญัตินี่เขาไม่ได้ตัดออกแต่าศาสนธรรมที่มาฝากไปนี่ยเขาก็ใส่ไว้ ตกลงว่ากลายเป็นศาสนาบัญญัติและศาสนาธรรมมันก็ทำให้คนบางพวกนี้ได้เปลี่ยบทำไปอ้างศาสนาบัญญัติแล้วค่อนข้างจะข่มขู่คุกคามแต่คนที่ไปเตะบางทางที่ไม่เอาหลักฐานอะไยมาดูกันเพราะฉะนั้นปัญหาตรงนี้มันเป็นปัญหาที่ น่าเสียดายคือเราพอดทิ้งละเลยอันนี้พอมาเป็นธรรมะเราจะเห็นว่าคุณธรรมกับจริยธรรมเนี่ยมันมีโดยสังชาติยานมันมีโดยธรรมชาติของมันเสดงพ่อแม่รักลูกแม่รักลูกลูกรักแม่มันก็มีทั่วไปแก่คนแก่สัตว์ทั้งหลาย แต่ความสำนึกเราเป็นลูกของพ่อของแม่ความสำนึกนอย่างนี้มันมีทุกคนแต่ว่าศีลเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีต้องบัญญัติขึ้นของเราจึงเรียกศีลธรรมเราเรียกศีลธรรมคุณธรรมเราก็มีเรียกแต่ก็เรียกอีกระดับหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งจริยธรรมเราก็เรียกเพราะว่าเป็นคําบาลีด้วยกันทั้งนั้นแหละ แต่เราก็ได้สินธรรมเพราะว่าสินธรรมนั้นตัวสีเนี่ยมันมีได้ในสังคมที่อยู่ด้วยกฎด้วยเกณฑ์มีบุปัญญาห้ามต่างๆแล้วก็มาตรฐานส่วนใหญ่เราก็ใช้มาตรฐานระดับดังการบิติแล้วเนี่ยขอให้อยู่ระดับสีได้หรือว่าไม่ถึงสมบูรณ์ขนาดนั้น อยู่ร่วมกันด้วยเมตตาด้วยความเป็นมิตรกันไม่รู้จะทะเลาะกันไปทำอะไรแต่ทีนี้ปัญหาสำคัญว่าคนที่ผิดแล้วไม่ยอมรับผิดแล้วไม่ทะเรา ก, กฎเกณฑ์ทำลายกฎเกณฑ์ในสมาชิกในสังคมเนี่ยมันต้องผิดก็คือผิดแล้วก็กฎเกณฑ์ก็คือกฎเกณฑ์ ระเบียที่ไม่ยกเลิกกฎเกณฑ์เหล่านี้ทุกคนก็ต้องปฏิบัติามกฎเกณฑนะ์อย่างนี้เมื่อไม่ทํามันก็กลายเป็นอายุติธรรมคือไม่ยุติไปทําพอไม่ยุติไดทํามันก็เรียกหาความเป็นธรรมเมื่อไม่ได้มันก็เพิ่มความเข้มข้นรุนแรงขึ้นคนก็เกาะกลุมคนก็เกาะกลุมกัน และการตัดสินเรื่องนี้ที่จริงไม่ใช่ตัดสินง่ายพูดเนาะพูดได้แหละตัดสินยากเราลองสังเกตถึงเหตุการณ์ในสงครามมหาภาราสตุย์คือว่ากันตามความจริงแล้วฝ่ายทุระยุที่ผิดสัญญาฝ่ายฝ่ายเการลบนะฮะฝ่ายการนีบผิดสัญญา เพราะว่าฝ่ายปานดบมีแพ้สกาเล่นสกาแพ้ให้หนืระเทศตัวเองไปอยู่ป่า1ิสี่ปีครบสิบปีแล้วครบสิบปีแล้วก็ใหม้มาเข่ามือเพราะเขาเป็นกษัตริย์อยู่นะฮะแต่ปรากฏว่าเขาก็หมดแล้วทรยศไม่ยอมเราก็เห็นก็ต้องต้อ ง, องมาฝ่ายทรยศมันผิด แต่พระยาทั้งสองฝ่ายคนนี้ก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะครับว่านรูกกับตวรุเป็นลูกพี่ลูกน้องกันพระยาทั้งสองฝ่ายแม้กะดับครูบาอาจารย์ของพระเจ้ากุมารทั้งสองฝ่ายนั่นแหละมันก็ไม่มีความเห็นต่างกันในสุดก็แบ่งฝ่ายรบกันเองชัดเจนมากๆว่าเป็นการรบกันระหว่างลูกพี่ลูกน้องแต่ฝ่ายที่เห็นด้วยกับลูกพี่แล้วฝ่ายที่เห็นด้วยกับลูกน้อง พนการที่รักษาความยุติธรรมความเป็นธรรมความเชี่ยงธรรมเนี่ยมันจริงรักษายากเพราะว่าคนไปใช้อารมณ์ไม่ได้ใช้เหตุผลไม่ได้ใช้มาตรวัดต่างๆเนี่ยเตชะมานี่มันมีมากวาเนี่ยวาว่าได้ทำเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็คืออะไรก็คืออสเวหิติตานิบิมุติจริงสุส จิตลุกค้นจากอสวะทั้งหลายไม่ถือมั่นในอุปาทานนั่นก็ถือว่าเสร็จแล้วแต่ถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นก็ยังไม่เสร็จแต่ว่าก็ทำแล้วทำไประดับหนึ่งแล้วถ้าเราสามารถจะก้าวไปได้ก้าวไปได้เอาเมื่อต้องไกลนะฮะขนาดสีนี่แหละเราก้าวไปได้การเคารพจิต เรีภาพความเสมอภาคแล้วก็ให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างมีพลรัลภคือความเป็นพี่เป็นน้องกันโลกมันก็สัมผัสอะไรได้ลึกซึ้งแล้วโลกมันก็ได้อยู่มันก่อนดูว่าผาถั่วข่าว โดยเวลาเนี้ยอเมริกาขายอาวุธใด้ทั่วโลกเกาหลีขายไม่ได้เกาหลีงแล้วนะฮะขายไม่ได้เราแย่งตลาดกันนี่ความคิดที่จะให้ตัวเองมั่งคั่งร่ำรวยโดยการขายอาวุธเพื่อไปฆ่าวพื่อนมนุษยคือ ถ, ถ้าเรางคิดอย่างอย่างนี้เราก็หยุดสงครามไม่ได้ ความรุนแรงไม่ได้การสะสมอาวุธไม่ได้แล้วทำลายทรัพยากรธรรมชาติมโหฬารทั้งทรัพยากรธรรมชาติมีชีวิตแล้วก็ไม่มีชีวิตมาความปุกรล่ท้าทั้งหลายจะไรต่างๆถูกเอามาทำลายมากมายอนั่นก็คือปฏิบัติเหมือนกันแต่ว่าปีความของความถูกความผิดเนี่ยไม่เหมือนกัน ตัวเองเอาอาวุธไปทําลายคนอื่นก็ถือว่าถูกต้องเป็นความยุติธรรมเป็นความชอบธรรมแต่คนคืนนึนเอาอาวุธมาทําลายตัวเองก็ถือว่าไม่ชอบธรรมไม่ยุติธรรมบางคนนึ้นขายอาวุธก็ขัดขวางต่อต้านผีดจะงั้นผิดอย่างนีจงนจงน้จะบอยคอดอะไรอะไรตงๆเอะพอตัวเองขายถูกต้องอันนี่คือยุ่งเรื่องมันก็ยุ่งอยู่ไง เราปฏิบัติแล้วแต่ยังไม่ถึงสารัะที่สร้างความสงบสุขแก่สังคมได้สังคมก็อยู่อย่างเนี้ยอีกกี่ล้านปีมาแล้วเราก็ไม่รู้นะฮะก็อยู่อย่างเนี้ยไปอ่านในชาดกนีเรื่องของรัตตปาละที่จริงเรื่องโบราณมากนะฮะยังทันสมัยทุกข้อเลย เมื่อหลาสมัยเลยพระครอนเนี่ยทีนี้ภาระที่หนักก็โปรงลงไปแล้วภาระที่หนักก็คือการที่เราต้องไปแบกขันขันของเราเนี่ยรูปของเราเวทนาของเราเรสนยาของเราสังขารของเราวิญญาณของเราแล้วก็แบกขันคือลูกแบกขันคือพัญญาแบกขันคือสามีแบกขันคือ เหลือญาติอไรต่าโอ้ขันแบบกันจังเลยกลห้าขันห้าขันห้ากันห้าขั น, ข น, ขนมันก็โป่งภาระตรงนั้นไม่ได้ที่พระวุตถ้าทรงปริงพระอุทานตอนที่พระนางยโสธราพิมพาประสูติพระราหุนกุมารรับสั่งว่าราหุลังชาตังบันเทนังชาตัง วงได้เกิดขึ้นแล้วเครื่องผูกได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แน่นอนก็คือขันอีกห้าขันจะต้องแบกแบกในฐานะที่เป็นลูกเราเป็นองอะไรของเราของเราต่างๆเนี่ยการบริหารขันในแต่ละวันเนี่ยมันยุ่งยากเลยคุณอาจารย์ได้เคยยกตัวอย่างว่าแต่ก่อนเนี่ย มนุษย์มันมันไม่มีโรคมากครับคือแสดงว่าสมัยโบราณเนี่ยจะพามาเลอนต่างๆไปพะหาเองโรคต่างๆอะไรต่างๆเ็คงจะไม่มารุมมาตุ้มกันอย่างในปัจจุบันนี้คนก็เจอแต่หนาวร้อนหิวกระหายปวดตุจราปวดปัสสาวะง่วงนอน แล้วก็แกจะตายก็สิบเรื่องไอ้สิบเรื่องเหล่านี้โลกมันจเจริญไปเยอะแล้วมันไม่ยอมหายไปสักทนะีมันก็ยังอยู่ครบบริบูรณ์สมบูรณ์บันหนึ่งเราต้องบริหารเรื่องหนาวเรื่องร้อนเรื่องหิวเรื่องกระหายนี่วันมันก็หลายเมน่อหลายครั้งเรื่องถ่ายอุจจาระ ถ, าถ่ายปัสสาวะ ขับถ่ายระบบขับถ่ายก็เป็ระบบขับถ่ายปัญหาใหญ่เวลานี้โรค ก, ก็เยอะยาก็เกิดขึ้นเยอะแต่ละขวายก็บอกว่าดีทั้งนั้นแต่เชื่อตามทุกคนก็คงดุ้งเหมือนกันหรือกับง่วงนอนนะเอาเจ็ดอย่างเนี้ยเอาเจ็บอย่างคือแกจะปตายังไง ก, ก็แก่จะปตาอยยังไง แต่วันนี้สิ่งที่เราต้องแก้ไขแต่เราไม่แก้ไขเราก็อยู่ไม่ได้หนาจัดเราก็อยู่ไม่ได้ร้อนจัดเราก็อยู่ไม่ได้หิวจัดก็อยู่ไม่ได้กระหายจัดเราก็อยู่ไม่ได้ปวดุจราปวดปัสสาวะเราก็อยู่ไม่ได้ง่วงนอนมากเราก็อยู่ไม่ได้แล้วก็เจอการแก่จะตายที่ต้องบริหารความแก่ความเจ็บความตาย ท่านไม่มีขันที่จะแต่งแบกท่านปรุงภาระทั้งหมดอะไรที่มันเป็นภาระภาระภาระงั้นชาวบ้านในเราเห็นว่าภาระเขาเยอะเวลาญาติโยมมาวัดไหงเพรเสร็จแล้วเขาก็จะลาระว่าปกรผมทั้งหลายขอลากลับก่อนเพราะว่ามีภาระมากมีเรื่องมาก เรื่องจะต้องแบกต้องหามมากแต่คนก็พอใจยินดีที่จะแบกจะหามอยูมันมอยู่ที่การมองกันนะะการมองเราเห็นว่าทรัพย์จริงคารทั้งหลายแม้แต่ตำแหน่งเศรษฐีรัตบาราลมองเป็นภาระที่จะต้องแบกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือขันเนี่ยขันจะไมีต้องแบกสมมติว่าท่านไม่บวชท่านก็มีพัญญาแล้วต่อไปก็ต้องมีลูก แต่ก็มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่า ง, างๆมากมายกายกองต้องแบกขันทั้งนั้นอนะ่ะปรุงได้หมดแล้วตอนนี้ท่านปรุงได้หมดแล้วเพราะอะไรเพราะว่าตัญหาที่จะนำไปสู่พบใหญ่พบน้อยคือหมายความว่าพวกตัญหาทั้งหลายพวกกิเลสอ่ะพวกปุจงานพวกกิเลสทั้งหลายที่นาไปสู่พบ ภพใหม่ภพใหม่คือชาติต่อไปนะ่ะก็ได้ถอนขึ้นได้แล้วคือบางทีเนี่ยผู้เจ้าสงสายก็มาตัณหาพร้อมทั้งมูลรากได้แล้วหมายความมูลรากขาก็คืออสุจิตัวตัณหาก็คือการมาตัณหาเพระว่ตัณห า, หายิบุวะตัณหานี้ภารกิจ ภารกิจของท่านที่ท่านแสดงไว้ด้วยประคาศฐานั้นสั้นเนี่ยอย่างที่บอกผู้ฟังเนี่ยว่าคาถาแต่ละบทแต่ละบทประมาณสามบรรทัดนะนะครับประมาณสามบรรทัดก็เวลาอยู่ในรู่บาลีมันก็อยู่แค่แค่แค่สองบรรทัด เป็นเขาเรียกว่าเป็นอุทเทศเป็นบทตั้งในการเทศหรือในการแต่งหนังสืออย่างตรงเนี้ยสมมติเรามาแต่งหังสือพูดด้เล่มขนาดใหญ่เลยเล่มขนาดใหญ่ที่เดียวเพราะมันจะไปยึดโยงอยู่กับเรื่องต่างๆอีกเป็นนันมากแม้แต่การเนี้ยการที่อยู่ใกล้ชิดกับพระศาสดา ทำยังไงเราจะอยู่ใกล้ชิดกับพระศาสนาไดา้ในขณะเดียวกันก็ใกล้ชิดกับพระธรรมซึ่งก็หมายความว่าตัวเองก็เป็นพระสงฆ์สำหรับพระตัตปาละพระสงฆ์นั้นเป็นการแสดงออกซึ่งความมีธรรมะอย่างที่พระพุทธเจ้ามีมีเท่าหรือไม่ไม่เท่าหรอกแต่ก็ต้องมีอย่างน้อยระดับสี ถัดมานั่นก็ต้องมีอยู่แหละจะมากหรือน้อยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนี่ก็คือสิ่งที่ปเิระได้แสดงเป็นหลักให้พระเก้าวโครพยาได้ไ ด, ได้ได้สะดับได้ฟังได้คิดได้คิดตามประการสาคัญอีกอย่างหนึ่งก็คืออันนี้เรื่องยาวนะ ประโยชน์คือความสิ้นไปแห่งสังโยชน์ทั้งปวงที่กุลบุตรผู้ออกบวชมาออกมาจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตต้องการกันอันตรมาภาไดาบ้บรรลุแล้วตามลำดับอันนี้เป็นการแสดงถึงวิสุทธิคุณคือความบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสกิเลสวันทั้นนั้นท่านพูดถึง วิชาการตัญหาคาถาต่อมาเนี่ท่านเอาสังโยต์เลยเอาสังโยต์สิบประการมาพูดตอนพวกนี้ก็มีข้อความต่างๆที่ที่ก็น่าศึกษานะเพราะว่ายังไงยังไงเราไปเจอเรื่องก็คิดว่าจะเอามาสักอะไร่ล่ะระวังก่อนเราพูดเรื่องปฏิรีสี่สี่ท่านหรือห้าท่าน จะพูดพระเทเรศัสษี่ห้าทนเหมือนกันแต่ท่านผู้ฟังลองสังเกตว่ามันก็คือพระสูตรธรรมดานี่ยก็คือพระสูตรธรรมดาพระคาถาทั้งหมดนี้อยู่ในพระไตรปิฎก น, น่เพียงแต่ว่ามันเป็นรูปแบบในการแสดงธรรมะเป็นรูปแบบในการแสดงธรรมะที่แตกต่างกันเพรา ะ, ะนั้นที่ท่านจัดเป็นระวังกสตัสตร์ สอนพระพุทธเจ้ามีองค์9ก้าประกาเนี่ยที่จริงมันมันแตกต่างในเชิงที่เป็นรูปแบบรูปแบบของการเทศการสอนแนวนี้เ้าเรียกว่าเทระคาถาคือหมายความมาตัวจริงแล้วการสอนด้วยคาถาก็เช่นธรรมบทเนี่ยมันก็เป็นคาถาแต่ว่าที่เรียกว่าเทระคาถาก็เพราะเป็นคาถาของพระเทระ ทีนี้พระเทวราเหล่านี้ไม่ใช่พระกอพระขอพระขอพระงอเป็นพระอระหันต์ก็เป็นเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงอย่างที่บอกมาแ ต, แต่ละข้อบางข้อที่บอกมาเนี่ยหรือบางทีก็ลืมที่เพียงหรืบางทีก็ไปเทียบเคียงให้ดูว่าจริงๆมันเป็นข้อที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้แก่ท่านนั่นเอง เป็นตามมุธเทศสีประการก็เป็นธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าคงสงแสดงแก่พระตาปาลักและท่านก็ยึดหลักตรงนี้เป็นทางดำเนินชีวิตของท่านพยายามทงความเข้าใจโลกคือมูสัตว์อันชรานำไปใกล้เมื่อยังยืนสัตว์โลกกำลังเดินทางไป บนเส้นทางเนี่ยถูกขับเคลื่อนด้วยความแก่ด้วยความเจ็บ ด, ด้วยการพลัดพลากด้วยการสูญเสียความตายแขวงเล่นอยู่ตรงไหนไม่รู้แต่ปรากฏตัวแน่เมื่อไรที่ไหนอย่างไรเราก็ตอบไม่ได้นะแต่ว่ามันก็ปรากฏตัวขึ้นมาแน่เปอนกัน เรียนรู้การทำความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้ก็คือการเจริญอ น, นิจจตาคือความเป็นของไม่เปี่ยเพราะว่าสังขารทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดแก่ตายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นการดารงอยู่ ช่วขนาชช่วขนาต่อนเนื่องกันไปมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงดูทุกขนาะในตัวของมัน่ะมันซ้อนขนากันอยู่ทอกฟังทังหายเสงทำจากหมหาวิทยลาลัยศรีปฐุมในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรม นุ thon, ия, ่งมีดาจาังทั้งหลายโดยพวกแกสวัตั